พระควโตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระคว o โตอรหตโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้หมดสิ้นกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง แม่ทรงพรินิพพานนานแล้วยังปรากฏอยู่โดยพระธรรมคำสอนดังนี้ปะมาดังอัปปมาเดนายะดานุดัตติปันดิโตปัญยาปาสาธมารุหาอสโซโกโสกินิงปะชัง อภัตตาวะภูมิเททิโรพเรอเวคตีเมื่อใดบัณฑิตบันเทาความประมาทด้วยความไม่ประมาทเมื่อนั้นบัณฑิตนั้นขึ้นสู่ปัญญาเหมือนดังปราสาทไม่เศร้าโศกย่อมพิจารณาเห็นมูสัตว์ผู้มีความเศร้าโศก บัณฑิตย่อมพิจารณาเห็นคนผ่านทั้งหลายได้เหมือนคนผู้ยืนอยู่บนยอดเขาย่อมมองเห็นชนผู้ยืนอยู่บนพื้นดินได้ฉะนั้ น, นโอกาสบดนี้อัตมาภาพจะได้นำพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแสดงให้แก่ท่านสาธุชนผู้ศรัทธา ในพระธะตรมยหวังจะได้ประโยชน์ในการฟังธรรมในวันนี้จะได้นำเรื่องของพระมหากัสปะเทระซึ่งเป็นผู้เลิศในพระสาวกของพระสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าที่มีปรากฏอยู่ในอังคุตรนิกายเอกนิบาต ว่าด้วยเอตัทธคบาลีที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระมหากัสปะเลิศกว่าพวกภิกษุสาวกของเราผู้ทรงทุดงและสารเสริญคุณแห่งทุดงสำหรับประวัติของพระมหากัสปะนั้นก็ได้แสดงมาจนกระทั่งถึงตอนที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ได้เสด็จไปต้อนรับสินระยะทาง300เส้นคันแแลพระพุทธ เ, ทเจ้าก็ได้ทรงสอนและทรงอนุญาตให้ปิปพลิบรรพชิตนะหรือพระมหากัสปะนั่นแหละเป็นภิกษุในพระธรรมวินัยคือในพระาศาสนาของพระองค์นี้ด้วยการประทานพระพุทธโอวาทสาข้อ ซึ่งมีอยู่ในคำภีสังยุตตนิกายนิธานวักว่าข้อที่หนึ่งกัสปะท่านพึงศึกษาว่าเราจะเข้าไปตั้งความละอายและความเกรงใจไว้ในภิกษุทั้งหลายที่เป็นผู้เท่าผู้ใหม่และปานกลางอย่างแรงกล้านี่ข้อที่หนึ่งเลย พึงศึกษาก็คือพึงปฏิบัตินั่นเองกระทำไว้ในใจและกายวาจาด้วยให้มีความละอายนะเอาหิริโอตปะเนี่ยเป็นเป็นที่ตั้งตั้งในใครละ่ะในภิกษุทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นผู้บวชนานบวชใหม่หรือบวชเท่าๆกันและต้องตั้งอย่างแรงกล้าเพื่อกำจัดมานะกำจัดความถือตัวดูหมินท่าน ข้อที่1ข้อที่2 อ, อเราจักฟังธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยกุศลก็คือประกอบด้วยประโยชน์เราจักเงี่ยวหูฟังธรรมนั้นพิจารณาเนื้อความนะข้อข้อนี้นะให้เคารพในพระธรรมให้มีหิริอดตะปะและก็ศรัทธาประกอบด้วยสติเมื่อจะได้ยิน ธรรมะไม่ว่าผู้ใดจะกล่าววันนี้เป็นธรรมของผู้เทธเจ้าก็จะต้องเงี่ยหูให้ประสาทหูนั้นสัมผัสกับเสียงเพื่อจะได้พิจารณาเนื้อความจะได้เกิดปัญญานี่เป็นข้อที่สองเคารพธรรมข้อที่สามเราจากไม่ละสติที่เป็นไปในกายคือพิจารณาร่างกายเป็นอารมณ์อยู่เสมอ อันนี้เอาสติสตินี่เป็นธรรมชาติที่ระลึกอารมณ์อารมณ์คือสิ่งที่ถูกสติระลึกนี้พระพุทธเจ้าบอกว่าให้เอากายอย่าไปเอาที่อื่นให้ระลึกลักษณะของกายความเป็นไปของกายอยู่เสมอนี้เป็นโอวาทข้อที่สามที่ให้พระกัสสปามหากัสสปะท่านประพฤติปฏิบัติ นี่เป็นวิธีบวชพิเศษเป็นวิธีบวชพิเศษปกติพระพุทธเจ้าอาจะากลาวว่าเอหิภิขุอุปรสัมปธาคือท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำวินัยอันเราตรัส ด, ดีแล้วจงประพฤติเพื่อความสินสนส้นทุกสิ้นสิ้นทุกให้แก่ภิกษุอ ง, งนะค์อื่นๆนะคือพระพุทธเจ้าอนุญาตเลยแต่นี่อนุญาตโดยวิธีให้ปฏิบัติเลยบวชบวชโดยวิธีการพิเศษกว่าพระภิกษุรูปอื่นทั้งหมด ยังในปัจจุบันแล้วเนี่ยบวช ด, ด้วยวิธีเรียกว่าย ต, ติจตุถกรรมประกาศตั้งเรื่องขึ้นในหมู่สงฆ์สี่ครั้งสงฆ์ยอมรับหมดก็เป็นอันว่าสำเร็จเป็นภิกษุสงฆ์แต่พระหมหากัสปะไม่เป็นเช่นนั้นแล้วข้อนี้ก็เป็นข้อที่น่าพิจารณาด้วยว่าพระหมหากัสปะนั้นท่านมีบุญมากมายเห็นได้อย่างไรเรา ก็ท่านมีทรัพย์ตั้ง80โกรมีบริวารมากมายนี่ก็เป็นเรื่องของบุญอำนาจบุญของท่านแล้วยังได้แต่งงานกับนางพัฒกาปีลานีซึ่งมีทรัพย์อีก80โกรแต่ว่าท่านสามารถสละทรัพย์ทั้งหมดได้แล้วก็ออกบวชแสดงเห็นว่าท่านมีบุญอย่างมากแต่ว่าบุญของท่านนั้นก็ยังไม่เพียงพอที่จะทําให้ท่าน เป็นพระรหันต์ต้องอาศัยฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธ เ, ทเจ้าจึงจะสำเร็จเนี่ข้อสามข้อนี้พุทธโอวาทสามข้อเพราะฉะนั้นนี่เป็นเหตุปัจจัยที่เราจะต้องสำนึกได้ว่าเราเนี่ยบุญเนี่ยเท่าพระสาพระมหากศสปะหรือยังถ้าบุญเรายังไม่เท่าแล้วทำไมเราไม่ฟังธรรมพระพุทธเจ้าไม่ปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้า ถ้าใครคิดว่าเราจะสามารถสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้โดยไม่ต้องฟังธรรมก็จะเป็นการดูหมินบุญบา ร, รมีของพระมหากระสปะไปะซ้ำาเพราะนั้นจึงเป็นข้อสรุปได้เลยว่าถ้าบุคคลผูบ้บาเพ็ญมาบารมีมาเพื่อเป็นพุทธสาวกจะต้องฟังธรรมเพราะว่าการมุสาวกนั้นหมายความว่าสำเร็จประโยชน์ในการฟังธรรมของพระพุทธเ จ, จ้า ต้องของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าเราปฏิบัติเอาเองแล้วก็จะสําเร็จซึ่งชอบพูดกันไปปฏิบัติเอาเองแล้วก็จะรู้เองจะสําเร็จเองไม่ต้องฟังธรรมจากใครเป็นการกล่าวที่ไม่มีเหตุผลและก็ผิดจากความจริงที่ควรจะพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติว่าจะต้องมีการฟังธรรมเสียก่อน เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานพระโอวาท ด, ดังนี้แล้วก็เสด็จออกจากโคนต้นไทรเขาเรียกว่าพระหูปุตตะนิโครธนิโครทะหรือนิโครธมีปิภผลิมานพตอนนี้ได้บวชแล้วนะผู้ได้รับการบวชเมื่ออายุย่างเข้าวัยชราอันนี้ก็น่าพิจารณาเหมือนกันว่าท่านออกบวชเมื่อแก่แล้วสมมติว่าห้าสิบปีแต่ว่าเมื่อพระพุทธเจ้าปรนิพนนนั้น ท่านกับเป็นพระสังฆเถระแม่พระอนนท์พระอนุรุตพระอนุรุตก็อยู่แต่ก็ไม่ได้เป็นพระสังฆเถระนะก็ไม่แน่ใจว่าท่านท่านนบวชเมื่อแก่ใช่แต่ว่าท่านบวชก่อนหรือหลังพระอนุรุตหรือพระอานนท์กันแน่และท่านมีชื่อปรากฏตามตระกูลของท่านวักกัสปะก็เป็นผู้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าข้อความเหล่านี้ นำมาจากหนังสือชีวประวัติพุทธสาวกของคุณจำเนียนทรงเลิกได้รวบรวมไว้ซึ่งมีข้อความไพเราะคือพระพุทธเจ้าเมื่อเมื่อประทานการบวชแล้วก็ออกจากต้นไม้เดินไปโดยมีพระมหากัสปาตามสเสด็จพระศรีระกายของพระผู้มีพระภาคเจ้าวิวจิตวิจิตคืองดงามด้วยพระลักษณะมหาบุรุษสาประการ ส่วนร่างกายของพระมหากัสปะเถระประดับด้วยลักษณะมหาบุรุษเจ็ประการมีอยู่เจประการท่านพระมหากัสปะเถระนั้นเดินตามหลังของพระผู้มีพระภาคเจ้าไปเหมือนกับเรือน้อยพ่วงท้ายเรือใหญ่เรือใหญ่คือพระพุทธเจ้าแล้วก็มีเรือลำเล็กต่อท้ายแต่เรือลำเล็กนั้นเป็นเรือที่ต่อด้วยทองคำ คือมีลักษณะมหาบุรุษเจ็ประการพระศาสดาสเสด็จดำเนินไปหน่อยหนึ่งก็ทรงแวะออกจากทางคือจากถนนนะนะทรงแสดงพระอาการจะประทับนั่งที่ภายใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งซึ่งอยู่ข้างทางนั้นท่านพระมหากศัะเถระรู้ทันถึงพระพุทธประสงค์นั้นจึงพับผ้าสังฆาติของท่านให้เป็นสีชัน้นแล้วปูลาดเป็นอาสนะถวาย ต้องอย่าลืมว่าพระมหากัสปะเพิ่งออกบวชก็คงไม่นานนักก็มีผ้าสังคติมาด้วยผ้าสังคติคือผ้าห่มกันหนาวนะใช้แทนผ้าจีวรได้ด้วยเป็นผ้าสองชั้นนะก็ปูให้เป็นสี่ชั้นแล้วทำเป็นอาสนะถวายพระศาสดาประทับนั่งบนผ้าสังคติของพระมหากัฏปะแล้วทรงรูปผ้าสังคติด้วยพระหัต แล้วพระพุทธองค์ตรัสว่ากัสปะผ้าสังคาติของเธอเนื้ออ่อนนุ่มดีแต่ก็เป็นผ้าคงในในตำราบางเล่มบอกว่าเป็นผ้าเก่าแต่ว่าเนื้ออ่อนนุ่มพระมหากัศปะกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐสุดขอพระองค์ทรงใช้ผ้าผืนนี้เถิดพระเจ้าข้าพระมหากัศปะก็ทราบพระพุทธประสงค์จึงกราบทูลถวายเลย พระศาสดาตัดถามว่ากัสปะแล้วเธอจะห่มผ้าอะไรพระมหากัสปะกราบทูลว่าเมื่อข้าพระองค์ได้ผ้าบังสุกุลจีวรของพระองค์ก็จะนามากระทาเป็นผ้าสังคติพระเจ้าข้าคือพระพุทธเจ้าก็มีผ้าสังคติเพราะฉะนั้นเมื่อพระพุทธเจ้าถามว่าเธอจะใช้ผ้าอะไรพระมหากัสปะก็กลาบทูลว่า ถ้าได้ผ้าบางสกุลนะผ้าเปื้อนฝุ่นที่ผู้เดชเจ้าไปชักบางสกุลมาเนี่ยก็จะเอามาทำสังคติแทนพระศาสดาจัดว่ากัสริยผ้าบางสกุลผืนนี้เป็นผ้าที่ตถาคตใช้เก่าแล้วเธออาจใช้ได้หรือและผ้าบางสกุลผืนนี้ในวันที่ตถาคตถือเอาได้เกิดแผ่นดินไหวจนถึงน้ํารองข้างล่าง คือไปชักผ้าบางสุกุลของนางปุณณาทาสีนะที่เขาเอาศพมาทิ้งพระพุทธเจ้าก็ไปชักมาแผ่นดินเนี่ยวันไหวเลยในคุณของพระพุทธเจ้าที่ถือทุดงถือผ้าบางสุกุลนั้นพระองค์จึงตัดว่าผ้าบางสุกุลผืนนี้ชื่อว่าเป็นผ้าที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายใช้เก่าแล้วนี้ผู้ที่มีคุณธรรมน้อยไม่อาจใช้ได้คุณธรรมน้อยไม่อาจใช้ได้ ส่วนผู้ที่มีกําลังพอมีนิสัยถือผ้าบางสุกุลอันนี้สําคัญนะมีบุญพอด้วยนะแล้วก็มีอุปนิสัยที่จะถือผ้าบางสุกุลและเป็นผู้สามารถกระทําข้อปฏิบัติในการถือผ้าบางสุกุลให้บริบูรณ์จึงจะใช้ผ้าผืนนี้ได้พระพุทธเจ้าตัดอธิบายถึงความสําคัญของผ้าสังาติที่พระองค์ทรงใช้อยู่ แล้วก็ทรงเปลี่ยนผ้าสังาติกับพระมหากัสปะเทระและเมื่อทรงเปลี่ยนแล้วก็ทรงห่มผ้าสังาติของพระมหาเทระนั่นทันทีส่วนพระมหากัสปะเทระก็รับผ้าสังาติจากพระสังจากพระ พ, พุทธองค์มาหม่มในขณะนั้นเองแผ่นดินอันใหญ่ซึ่งไม่มีจิตวิญญาณก็มีอาการหวั่นไหวลงไปกระทั่งถึงน้ํารองข้างร่าง เป็นประหนึ่งแผ่นดินจะพูดกราบทูลว่าพระองค์ทรงกระทําสิ่งที่ทรงกระทําได้ยากผ้าสังคติของพระองค์ทรงใช้ไม่เคยทรงประทานแก่พระสาวกรูปใดเลยข้าพระองค์คือแผ่นดินไม่สามารถทรงคุณความดีไว้ได้ดังนี้อันนี้ไม่เคยที่พระพุทธองค์จะทรงมอบผ้าสังคติให้แก่ใครแต่ไวเห็นคุณคุณธรรมอัน บำเพ็ญบารมีมาบริบูรณ์ของพระมาหากัสปะจึงมอบให้ฝ่ายพระมาหากรสปะเทสะนะแผ่นดินไหวนะแผ่นดินก็ไหวแล้วแผ่นดินเนี่ยไหวได้ไดไดหลายสายเหตุแต่สาเหตุอันดึงก็คือคุณธรรมของบุคคลทั้งหลายที่ทําไว้เช่นพระมาหากัสปะออกบวชแล้วแยกทางกับนางพัฒกาพิลาณีก็วันไหวไปทีหนึ่งแล้วนี่ก็วันไหวอีก ฝ่ายพระมหากัสปะเทระก็ไม่ได้มีใจฟูใจหยิ่งขึ้นด้วยมานะคือความถือตัวว่าเราเป็นที่โปรดปรานของพระผู้มีพระภาคเจ้าคือเพิ่งบวชเท่านั้นเองผทธเจ้ากับประทานผ้าสังขติแล้วก็ไม่ได้มีมานะความดีใจหรือหยิ่งยกตัวเองขึ้นแต่กลับมีความคิดว่าบัดนี้เราได้ผ้าที่พระองค์ทรงใช้ เราควรจะกระทำความดีให้ยิ่งขึ้นไปอีกที่พระพุทธเจ้ามอบผ้าให้เนี่ยผ้านะไม่ใช่สิ่งสำคัญสิ่งสำคัญก็คือว่าพระองค์ประสงค์จะให้เรากระทาความดียิ่งขึ้นไปเพราะฉะนั้นพระมหากัสปะก็สมาทานทุดงเลยนับแต่บวช น, นับแต่ได้ผ้าทุดงก็คือองคุณเครื่องกำจัดกิเลส จึงได้กล่าวไว้แล้วว่ามีทั้งหมด13าประการแต่โดยสรุปก็สมประการเท่านั้นคือเกี่ยวกับเรื่องผ้าข้อที่หนึ่งคือถือผ้าบังสุกุลจีวรผ้าเปื้อนฝุ่นเนี่ยผ้าที่เขาทิ้งแล้วอย่างนี้ข้อที่สองเที่ยวบินทบาตเป็นประจาข้อที่สมอยู่ป่าเป็นประจาแม้จะอยู่ในสถานที่ที่ใกล้พ ร, พ, พ, รกพระพุทธเจ้าก็ประพฤติปฏิบัติเช่นนี้เสมอ าจะเห็นได้ว่ามีผู้มานิมนต์พระสัมมาสัพพเทธเจ้าและพระภิกษุไปรับพัตตาหารพระมหากสัสปะเดินบินธบาตยังเดินบินธบาตอยู่ไม่ได้ไปด้วยท่านเป็นปุถุชนปฏิบัติโอวาทสามข้ออยู่เพียงเจ็ดวันนับแต่วันอุปสมบทมาพอรุ่งอรุณวันที่แก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมพิธาาน คือปัญญาอันแตกฉานสี่อย่างท่านท่านปฏิบัติอย่างเคร่งครัดเลยในการที่เคารพด้วยความละอายเกรงใจต่อภิกษุทั้งหลายเป็นต้นเนี่ยด้วยเหตุผลที่พระมหากัสปะเถระเป็นผู้ปฏิบัติในทุดงควัตอย่างเคร่งครัดพระองค์คือพระพุทธเจ้าจึงทรงยกย่องว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้ทรงทุดง ตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในอังคุตรนิกายเอกานิบาต ท, ทีนี้ก็มีปัญหาเรื่องทุดงนี้น่าสนใจว่าทุดงเนี่ยดีอย่างไรเพราะว่าในสมัยนี้พระที่อยู่ปา่าที่เรียกว่าพระปรา่าเนี่ยจะเป็นที่นิยมนับถือเลื่อมใสของคนเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะทางแถบอีสานนะพระทางอีสานจะต้องอยู่ปา่าจะต้องถือ เที่ยวบินธบาทฉันมือเดียวถือผ้าบางสุกุลจีวรเรื่องนี้น่าพิจารณาอย่างยิ่งเพราะว่าในมิลินทะปัญหาพระเจ้ามิลินหรือพญามิลินได้ถามเรื่องทุ ด, ดงแกพระนาคเสนนะเรื่องเรื่องนี้ยาวนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ ควรจะต้องศึกษากันอย่างดีทีเดียวคือพระยามรินเนี่ยก็ถามฉลาดกระถามว่าคฤหัสถ์คนคลองเรือนเนี่ยสามารถทำให้แจ้งสึ่งนิพพานได้ไหมพระนาเกเสงก็บอกว่าได้เป็นพระโสดาบันได้จนถึงเป็นพระอรหันต์ก็ได้นะเช่นพระเจ้าสุโธนะก็เป็นอ้าวแล้วถ้าเช่นนั้นจ ะ, จะต้องไปประพฤติทุดงทำไม ในเมื่อก็สามารถเป็นเครื่องหัดอยู่บ้านนี่แหละจะต้องไปปฏิบัติทุดงให้ลําบากทําไมให้วุ่นวายทําไมท่านถามว่ า, าถ้าว่าครื่องหัดทั้งหลายกระทาให้แจ้งนิพพานได้ทุดงคุณทั้งหลายจะให้ประโยชน์อะไรสําเร็จด้วยเหตุนั้นทุดงคุณทั้งหลายเป็นของหาได้กระทํากิจไม่คือไม่ควรทํานั่นเอง แล้วก็กล่าวเรื่องอื่นนะกล่าวเรื่องอื่นอีกมากมายเลยโดยสรุปก็คือคฤือหัดเนี่ยผู้อยู่บ้านบริโภคกรรมเนี่ยยังทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้เพราะนั้นจะต้องการอะไรด้วยการสมาทานทุดงคุณอันประเสริฐฉันนั้นเล่าไปสมาทานทำไมนะโดยเฉพาะพระภิกษุทั้งหลายทีไ่ไปเที่ยวอยู่ป่าก็ในเมื่อชาวบ้านเขาเช่นนางวิสาขาอนาลบินดีกะเขาก็เป็นพระโสดาบันเห็นแจ้งพระนิพพาน แล้วเขาก็ไปดองสมาทานทุดงคุณด้วยพ่านาเกษณ์ตอบว่าขอถวายพระพรก็คุณคุณก็คือประโยชน์หรือความดีนั่นเองนะแห่งทุดงสิบสามน่ะมีอยู่ถึงยี่สิบปดเหล่านี้เป็นคุณมีความเป็นจริงอย่างไรซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงรักใคร่ปรารถนาตัวทุดงสิบสามเนี่ยมีคุณนะซึ่งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เนี่ย สรรเสริ ญ, ญรักใคร่และปรารถนาคุณแห่งทุดงทั้งหลาย28เป็นฉนหนมี28อย่างคุณความดีของตัวุดงเองเนี่ยข้อประพฤติ13ข้อนี้คือทุดงในศาสนานี้เฉพาะในศาสน า, าพุทธมีคุณคือหนึ่งเป็นของมีอาชีวะบริสุทธิ์อาชีวะก็คือการเลี้ยงชีพ บ, บริสุทธิ์พระมหากัะสปะเลี้ยงชีวิต บริหารกายบริหารท้องบริสุทธิ์จริงๆคือผ้าเนี่ยก็ไปหยิบเอาจากของที่เขาทิ้งแล้วในป่าช้าบ้างในป่าบ้างในกองขยะบ้างไปถึงก็ไปกล่าวดังๆว่าผ้าผืนนี้ไม่มีเจ้าของแล้วข้าพเจ้าจะนำไปใช้นะกล่าวสามหนใครเขาเป็นเจ้าของอยู่เขาได้ยินเข้าเขาจะได้มาคัดค้านไม่มีก็เอามาใช้นะบริหาร ร่างกายอย่างนี้บริหารท้องก็เดินวินทบาดไปตามบ้านของคนตามลำดับตรอกคนจนด้วยซ้ำพิจารณาก่อนว่าคนไหนจนที่สุดเราจะไปโปรดเขาไม่รับกินนิมนต์เพราะนั้นทำให้ชีวิตเนี่ยบริสุทธิ<ม>์การเลี้ยงชีวิตด้วยปัจัยสีเนี่ยจะบริสุทธิ์แล้วก็อยู่ป่าอยู่ป่าอยู่โคนไม้เป็นประจำป่าเนี่ยไม่มีใครอยากได้ไ ม, มีใครเข้าไป ไม่มีใครห่วงก็เข้าไปอยู่ได้ข้อที่สองทุดงนั้นมีคุณอย่างไรมีประโยชน์อย่างไรคือเป็นของมีความสุขเป็นผลให้แต่ความสุขอย่างเดียว 3. เป็นของไม่มีโทษไม่มีโทษก็คือไม่มีกิเลสสีเป็นของไม่ยังผู้อื่นให้ลำบากนี่เป็นเรื่องจริงๆถ้าเราเนี่ยไม่ถือทุดงเนี่ย เวลาเราอยากจะได้ผ้าสักผืนเนี่ยเราก็จะต้องคิดแล้วเอ๊ใครประมาณาเราไว้หรือเปล่าจะต้องไปเที่ยวหาเขาแล้วถ้าเผื่อว่าไปหาแม่นะสมมุติว่าไปหาแม่ไปขอแม่แม่เกิดไม่มีเนี่ยแม่ก็จะต้องเที่ยวเสาะหาให้เราอีกและก็ฉะนั้นก็เมื่อเราประพฤติทุ ด, ดงซะแล้วเนี่ยก็ไปเที่ยวหาเอาสบายใจไม่ต้องไปทําให้ผู้อื่นลําบากห้าเป็นของไม่มีภยัย ไม่มีภัยอันตรายเพราะว่าของที่เราไปใช้นะั่นน่ะไปไปเอามาใช้เป็นของที่ไม่มีใครเขาประสงค์ผ้าหรืออาหารเขาให้มาด้วยศรัทธาหรือว่าอยู่ป่าอย่างเนี้ยนะหกเป็นของไม่เบียดเบียนพร้อมคือไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเจ็ดเป็นของมีความเจริญส่วนเดียวแปดเป็นของหาความเสียหายมิได้อันนี้ก็พิจารณาไปด้วยนะเก้าเป็นของหาความล่อลวงมิได้ คือทุดงเนี่ยไม่ไ ม, ไม่ไม่หวังจะไปหลอกลวงใครนะหวังที่จะได้ความสันโดษคืออาลมพะความมักน้อยคืออาลมพะและก็ได้ปัญญาในการพิจารณาใช้ปัจจัยสี่โดยโดยสะดวกเนี่ยข้อที่สิบเป็นเครื่องรักษาทั่วรักษาตัวเองนะสบเอดเป็นของให้ผลที่ปรารถนา 12. เป็นเครื่องทรมานของสัตว์ทั้งปวงคือเราเนี่ยถ้าต้องการจะทรมานตัวเองทรมานกิเลสตัวเองเนี่ยควรจะประพฤติทุดงมันทรมานได้ดีมันกำจัดความโลภความโกรธความหลงได้ดีทีเดียว 13. เป็นของเกื้อกูลแก่ความระวัง 14. เป็นของสมควร 15. เป็นของไม่อาศัยตันหามานะทิฏฐิแต่เป็นตัวกำจัด ตันหามานะจิตนะิ16เป็นเครื่องพ้นพิเศษหรือพ้นวิเศษ17เป็นเครื่องสิ้นไปแห่งราคะ18เป็นเครื่องสิ้นไปแห่งโทสะ19เป็นเครื่องสิ้นไปแห่งโมหะ20เป็นเครื่องละมานะความถือตัวเราต้องละล้นะมานะไม่งั้นเราก็จะไม่เที่ยวไปเดินบินทบาทตามลำดับตรอกซึ่งมันโกกปรกเอา 2คนยากจนใส่ก็ต้องรับอย่างพระมหากัสปาเนี่ยไปบินธบารแล้วไปเจอคนเป็นโรคเรื้อนเขาก็ใส่บาด ท, ทีนี้นิ้วหัวแม่มือเขาเป็นแผลอยู่แล้วก็ตกลงไปในบาด ท, ท่านก็รับโดยไม่มีอาการรังเกียจเลยด้วยความกรุณาแก่เขาด้วยนะเเป็นเครื่องตัดความตรึกชั่วเสีย คือธุดงนี่จะจะไม่ต้องให้เราคิดว่าเอ๊เดี๋ยวเราอยากจะได้นั่นได้นี่นะในความตรึกความคิดเนี่ยมันชั่วได้หยิบหยิบบายขึ้นมาก็เอ๊วันนี้ใครจะใส่บาตเราเนี่ยจะได้ของดีๆหรือเปล่าพระราชาจะนิมนต์เราไปไหมเนี่ยเศรษฐีจะนิมนต์เราไหมหรือจะไปหาจีวรเนี่ยเออเดี๋ยวเราจะต้องไปหาจีวรที่ดีจำไม่คิดเพราะว่ามันไม่มีความจําเป็นต้องคิดองค์ทุดงมันบังคับอยู่ เป็นเครื่องข้ามความสงสัยสงสัยในคุณประโยชน์ของทุดงเนี่ยไม่มีแล้วยี่สิบสามเป็นเครื่องกําจัดความเกียดคร้านเสียได้คือคนขี้เกียจเนี่ยถือทุดงไม่ได้จะไปอยู่ป่าเขาไม่เอาแล้วลาบากนะป่าเนี่ยมันไม่ได้อยู่สบายจะถ่ายอุจจาร ะ, ะปัสสาวะก็ต้องอยู่ในสถานที่ซึ่งหาน้ําลําบากบ้างอะไรบ้างหรือเดินบินทบาดก็ไกล เพราะนั้นคนขี้เกียจเนี่ยจะไม่ทําแต่ว่าทุดงจะกําจัดความเกียดคร้านคือจ้องเป็นคนขยัน24เป็นเครื่องระความไม่ยินดีระความไม่ยินดีได้ไม่ยินดีนี่ก็คือโทสะนั่นแ่ละนะ25เป็นเครื่องทนทานต่อกิเลสคือแม้ความว่าถ้ามีกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยทุดงมันก็สามารถไปข่มไว้ได้นั่นแหละ26เป็นของช่างไม่ได้ ยี่สิบเจ็ดเป็นของไม่มีประมาณคือกำหนดไม่ได้นับไม่ได้เหมือนอย่างคุณพระพุทธ เ, ทเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์เนี่ยนับไม่ได้ว่ามีประมาณเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราทำความดีไปในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยผลที่ได้ก็ประมาณไม่ได้การลงทุนชีวิตของเราในลงทุนกับพระรัตนตรัยเนี่ยจะมีผลประมาณไม่ได้แต่ยังไปลงทุนอย่างอื่นเนี่ยยังจะประมาณได้ เราฝากธนาคารยังจะรู้ได้ว่าเออเราได้สิบสาเปอร์เซนต่อปีไปลงทุนอะไรเนี่ยยังจะรู้นะพอกําหนดนับเอาได้แต่ว่าลงลงทุนทําความดีกับพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วเนี่ยประมาณไม่ได้เพราะคุณของท่านประมาณไม่ได้เหมือนกันคุณของทุดงเนี่ยก็ประมาณไม่ได้28เป็นเครื่องถึงธรรมที่สิ้นไปแห่งทุกทั้งปวงก็คือพระนิพพาน นำไปถึงได้นะเพราะนั้นคุณแห่งทุดง28ประการเหล่านี้เป็นคุณมีจริงซึ่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงรักใคร่ปราถนาพญยายมิลินอขอขอภยัยพระนาคเกษจึงบอกว่าขอถวายพระพรบุคคลเหล่าใดซ่องเสพทุดงคุณทั้งหลายโดยชอบบุคคลเหล่านั้นก็เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยคุณทั้งหลายอีก18ประการ อีกสิบแปประการนะจะได้อีกคือตัวทุดงมีประโยชน์ยี่สิบแปดแต่ผู้ที่ไปประพฤติทุดงแล้วนะก็จะได้คุณอีกบริบูรณ์ขึ้นมาอีกสิบแปดคืออาจารอาจาราไม่ถึงมารยาทของบุคคลเหล่านั้นเป็นของบอริสุทธิ์ดีปฏิปทาข้อประพฤติปฏิบัติของบุคคลเหล่านั้นเป็นของเต็มด้วยดีคือบอริบูรณ์ สิ่งที่เป็นไปทางกายและสิ่งที่เป็นไปทางวาจาเป็นของอันบุคคลเหล่านั้นรักษาดีแล้วข้อที่สี่มโนสมาจารนะความประพฤติทางใจของบุคคลเหล่านั้นบริสุทธิ์ดีข้อที่หความเพียรเป็นของอันบุคคลเหล่านั้นประคองไว้ด้วยดีต้องมีความเพียร น, นะขี้เกียจไม่ได้ข้อที่ 6. ภัยของบุคคลเหล่านั้นย่อมเข้าไประงับภัยอย่างหนึ่งก็คือโจรมันไม่อยากมาปล้นเราอะ เพราะอะไรก็เพราะว่ามันไม่มีของมีค่าเราไม่มีผ้าหรือสะสมทรัพย์สินของไม่เหมือนพระสมัยนี้กุญแจต้องหลายชั้นหน่อยเพราะว่าของมันมีค่าเยอ ะ, อะที่วัดของอาตมาเองพระก็มาบ่นบอกเอ๊ะทำไมมันมีของหายเรื่อยนะเดี๋ยวคนนู้นของหายเดี๋ยวกว่านั้นของหายก็หาตัวคนขโมยไม่ได้ มาเมื่อวานพระก็บอกเออพอจะได้เขาแล้วไอ้เด็กเด็กที่มันอยู่ใกล้วัดนะ่ะมันก็เข้ามาทำเป็นว่ามาขอขนมพระพอพระเพิ่มก็หยิบเอาอะไรไปนะก็มันมีของมีค่ามากมันก็มีภัยเกิดขึ้นได้นะข้อที่เจ็ดอัตานุทิฏฐนะิคือความเห็นแก่ตัวว่ากันง่ายๆของบุคคลนั้นจะหมดไป ข้อที่แดความอาฆาตก็จะงดเว้นได้ข้อที่9เมตตาเป็นของที่บุคคลเหล่านั้นเข้าไปตั้งไว้ได้ข้อที่ 10, อาหารเป็นของอันบุคคลเหล่านั้นกำหนดรู้แล้วคือพิจารณาว่าอาหารเนี่ยมันมากำจัดความทุกข์จริงๆเป็นของที่เห็นได้ชัด